คโนทนาในกตวลละเจตนาของท่านทั้งหลายที่ตั้งใจวางพระสัธรรมมาเทศนาเพื่อจะงอนกรรมแบบรัก ปฏิบัติเพื่อขจัดความโลภความโกรธความหลงให้หน้อยลงหรือหมดไปวันดีให้ทุกท่านตั้งใจสดับพระธรรมเพื่อ ปฏิบัติเป็นจิตตภาวนาเทาวายเดพระบาทคองเด็กพระเ้าอยู่หัวราชการที่สิบในวันที่ยี่สิบแปดเป็นวันเฉลิมพระชนมพ์พรรษาของพระองค์ เึงเป็นวันที่พระองค์ทรงประรลาดเฉสุนพบเป็นที่เปรมเปรตยินดีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศจพียงไดตั้งจิตที่จะความทำเพื่อถวาย เป็นพระราชการะพระราชเจโยคชนได้พระองค์ของให้พระองค์ครงประชนพระมายุยื่งเยืนนอนนายมีพระกระเรสมสำแดงโ ย, ยภายใจแคลเว ก, กัดตรัสรัตตบัลลัง ของพระองค์วันนี้มาจารมาภาพเทอันเชิญพระทั้อันประเสริฐี่พระพุทธองค์งรทรงแดงเตจนชาวกุลกามากระทันมัมนดีกน โดยพระธรรมอันโปรดดังที่โสปรางอาสติปัจจานโสดพระมหาสติปัจจานโสดนั้นเป็นโสดที่สมบูรณ์บริบูรเต็มเตียนไปบุญไปด้วยข้อ พระพฤกษปฏิบัตรทั้งสรมาทะกรมมาทานและวิปัสสนากรมมาทานที่พระองค์ทรงจัดเกลิศทุกทั้งหลายว่าทิกทั้งหลายพวกเธอต้องตั้งใจเห้ดี วรังให้ดีเราจะกล่าวทางนี้เป็นทางไปอันเปรต เ, เป็นทางเอไปได้ในที่แห่งเดียวไปได้เฉพาะผู้เดียวเพื่อความ บริสุทธิ์หมจดจดงเอในอสัตว์ตงหลายเพื่อก้าวล่วงึ่งความเศร้าโศกความร้องไห้ความทุกขก์ยความทุกข์ใหญ่ให้ดับไปซึ่งทุกข์และโอนมาหนัด ทาง น, นี้เป็นทางที่ถูกต้องเป็นทางที่นำออกจากถกนั่นคืออาริยามักมีองค์แประยการระดมบัติจังแนวบางอาจาติปัด ปัจจันติมาหาสติปัจจันือมีอะไรบ้างมีกี่อย่างมาหาสติปัจจันติมีกี่อย่างพระพุทธญาัิว่าเภทะิภขเวเภขโข กายกายหนุปัิวิการติอตาติสัมปชาโญสัติมาวิเนะยโลกะอภิชาตมานะสังสิชาในประทัมมในเนื่ ตั้งใจในกายในกายเรื่องเรื่องอยู่มีความเพียรมีความรู้มีสติ้งจัดความยินดีความยินรายในโลก ให้ที่นาดไปหัวข้อของทรรนทุกทานควรที่จะจดยันอาตาปีเพียนเผากิเลสบาปทันให้เรารลอครันไปาันหอโรคติดตัวทั่วพร้อม ระิมาตั้งสะติไวให้มันใน ย, ยะโลกเกอาทิชารตมานกจังทำลายความยินดีความยินรายในโลกไม่ีินาศไปเวทนาุก เวทนานุปัติวิาญาติอาตติส like, ันต no ิจันโพระติมาวิยยาลูกีอภิชาตมานักสังพิสโซในประทามในนีพิจนาให้เห็นเวทนา ในเวทางาเลืองเลืองอยู่หรือเป็นประจันอาตาติเปลี่ยนภพฐานกิเลสให้เรารลอนกันไปกันมาเราทุกตัวทุวพร้อมและตื่นมาตั้งสติให้มันวิเนี ย, ยะโลก อาภิชาทตมานกสังทังายความยินดีความยินรายในโลกให้ที่นาดไปพิโสในประทันในนี้พินจนา็นเิดในเิดเนื่องเนื่องอยู่มีความเคียง มีความรู้มีจะติกาจัดความยินดีความยินรายในโลกให้เพียนน่าไปทิษโสในประทังในหนื้งพิษนาเรนทัมในธรรมเลียงเืีย ง, งอยู่ มีความเพียนมีความรู้มีสติก้งจัดความยินดีความยินรายในโลกให้เี่นหน้าไปหัวข้อธรรมทั้งสี่ประการนี้คืออุเทศหัวข้อของธรรมที่ทุกทางควรจัก คนใจจดจัดงอา ต, าตภาีเพียงเผากิเลสบาปทำไม่ระรอนครั้งไปชานองรถสักตัวทั่วพรอ้อมาติมาตั้งสติให้มันวิเนยะโลเกอาปิฌต ม, มานสจัง ความยินดีความยินรายออกอยากเจีใจให้หมดนี่เป็นอุเทศโ้จะเจริญจิตตภาวนาการเจริญจิตตภาวนาทุกทานความที่จะตั้งใจเพื่อแก้ให้จิตใจ นั้นสงบความสงบของจิตใจเป็นทางอันประเสริฐผู้จะสงบจิตใจต้องประกอบไปด้วยสถานที่อันเป็นสัพเะยะคือที่สบายพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า อาเันยากาโต ว, วาไปแล้วสุภาก็ดีลุกก ม, มูละคาโต ว, วาไปสูกคนใหม่คนยาขาระคาโต ว, วาไปสู่เรือนวางสถานที่ทัางามตะการา น, นี้เป็นสถานที่เหมาะสมแต่ผู้ที่จะอบรม จิตตะพาวนาทั้งสมาถากรมมฐานและวิปัสสนาปัมน์ฐานเป็นฐานที่อันสบายแก่ร่างกายและจิตใจเรียกว่าเป็นฐานที่รับไประม่ขรรมเพ่การอบรมอนระพรึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความร้องหบเสงหัดและวิเวกเมื่อได้กระานที่พระพุทธองค์ทรงส่องตะวานถิเทศธนาบัลังกลางอาพุทธตวานั่งโคบัลังคือนั่งพัดตมรม วากสอนใยทั้งมือและเท้าและกวรที่จะตั้งจิตอาทิตสถานว่าจะนั่งให้จองที่สุดไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่กลมไม่เงยที่พระองค์รียว่าอุชงก็ยัง ปัญญาคำว่าปฏิทาคือตั้งปณิทา น, านความปรารถนาว่าจะนั่งกจนิ่งใจตรงให้นิง่งให้สงบกายสงบวาจาสงบนี่คือทีนของพวกเธอนี่คือทีนของพวกท่าน เป็นเส้นธรรมชาติที่พระพุทธทเจ้าทรงสรรเสริญเทงใดที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญถทงนั้นนับว่ายิ่งที่สุดดีที่สุดประเสริที่สุดนี่คือศส้นของผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่ถีนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติคือข้องามเป็นถี่นท่งนนาชาติกายสงบวาจะสงบทุกทานมีถีนแล้วแต่ยังไม่มีสมาธิการจะมีสมาธิต้องจะเริยน ภาวนาการจเจริญจิตตะภาวนานี่มีองค์ธรรมของภาวนาที่ประการที่ทุกท่านควรจะยันเรียกว่าอิทธิบาทภาวนาคาว่าอิทธิ แปล ว, ว่าสำเร็จบากเป็นที่ตั้งของความสำเร็จฉันทังพระเนตรทุกทานยังความต่อใจให้บังเกิดที่เกิดจิตตะภาวนาวายามติ พยายามเรียนให้ต่อเลื่องเป็นประจำเพื inas, pulse, ่ยที now, so, ่จะมารับปติจะรับความเขียนโยครังบังกระเบือจิตดังบกันอาติประทังอติ พระคองใจตั้งไว้ให้ตรงในอานาปานาสติคือพระคองใจให้ตรงกับลมไหลใจกับพระคลองลมไหใจให้ตรงกับจิตใจพระพุทธองค์กับว่าโ สักตบัดรวะสะติย่างืจสติง่ายใจข้าวคือย่อมรู้ว่าง่ายใจข้าวตั้งจัน ด, าดา่าเรา่ายใจข้าวหายใจออกเป็นประจำ แต่ไม่รู้ลำหายใจไปรู้เรื่องอื่นตั้งเส้นพระพุทธองค์ให้มีสติรู้ชัดด้ลำหายใจครองระตองบัดพระสติเธอยังมีสติหายใจออกคือยังรู้ ว่าหายใจออกการหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นการเจริญจิตเรื่ลมหายใจนั้นเป็นอาหารของจิตของทุกทางตั้งใจให้อาหารของจิตเป็นประจำจนกว่า จิตนั้นจะอิ่มจนกว่าจิตนั้นจะสงบหรือจิตมีความสุกลมหายใจเป็นสิ่งที่พลเสิ์ที่สุดในชีวิตมีใีเิงใดที่จะกระเคลจะยิ่งกว่าลมหายใจ ทรัพสมบัติเป็นโลกียะก็ดีโลกุตระละก็ดีจะขึ้นอยู่กับลมหายใจของท่านทั้งหลายผู้มีสติในการกำหนดลมหานใจพระพุทธองค์จัดว่าเป็นผู้เจริญทุกเมือ่อและเป็นผู้ ในอัปปามาตรันคือผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ผู้จนพู เ, นพเบิกบานในทางในมหาทติปัฏฐานสื่หรือมหาะติปัฏฐานขดเลและสัมมาทันพุทธเจ้า ครองสแสดงอนาปานาสติไว้แก่พุทธบริษัททั้งหลายเพียงสี่ครั้งผ่านควรที่จะปฏิบัติทั้งที่ครั้งนี้ให้สมบูรณ์เป็นเ ป, เป็นการเปิดประตูไปสู่ทันอันประเสร พระพุทธองค์ตรัดว่าที่ขังว่าปัจจันโตที่ขังปัจมันตปัจ า, านาติเมืองายใจเขายาวงายชัด วางหายใจเข้ายาวควงตั้งสติตั้งแต่อตอนลมตั้งแต่ต้นลมกลางลมและทีุ่ดกองลมหายใจเข้าให้ยาวให้แรงให้ลึกให้รู้สึกตัวทั่วทั่วพร้อม เมื om, n n hai, ่องายใจเข้าชุดควรพักลมพักจิตนิดหนึ่งเพราะการพักเป็นการหายห่างหางเกจิตทีกังวะปัาทันตทุกังปัจจาณิติปัจานาติ เมื่อหายใจออกยาวให้รู้ชักว่าหายใจออกยาวตั้งแต่ปลายลมก้นลมกดของลมพอหายใจออกสุดไม่ควรพักเรียกหายใจเข้าให้รู้ให้ตรง ให้สดชูนให้เบิกบานไม่ต้องทอง้อ ง, งไม่ต้องนับไม่ต้องเนิดไม่ต้องคิดไม่ต้องบริกรรมเรื่องอื่นวางให้หมดที่ไม่วางคือลมหายใจพระครรมสัมพุธเจ้า เคืนที่พระองค์จะทรงจัดสรูโมกกา ร, รหรืออนุตต ร, ระขัมมาขัมโพธิญาณพระองค์ทรงกำหนดอานาตาณาสติเพียงอย่างเดียวถึงคริปอกันในเคืนที่พระองค์จะทรงจัดสรู ให้ท่านทั้งหลายคอนโทรลลงหลยใจ้าวยาวออกยาวให้สำบังจำเบิอกัน <c oughs> เกิดอะไรขึ้นในการกำหนดลมหลยใจให้รู้ตรงไปตรงมากระพุทใจเจ้าตรงจัตว่า ตัณฑจะไปชานติเกิดขึ้นด้วยประการใดให้หรอด้วยประการนั้นไม่ต้องทงใส่ไม่ต้องกังวลในเรื่องใดใดทั้งทิน้นควรกาหนดอนาน า, า, าตาสติหายใจเข้ายาว ออกยาวเป็นประจำตลอดการตลอดเวลาโดยท้างตั้งใจว่าจาไม่เปลี่ยนแต่้งใมาชาติของทึงตั้งปวงในโลกนี้ในความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะฉะนั้น พระพุทธองจึงจงจัดวารัดสร้งวาอัตราทันโตรัดสร้งอัตราจันติอัปจานาติเมืองหายใจเข้าชันในโลจัดวางหายใจเข้าชัน เวลาหายใจเข้าทันไม่ต้องตามข้าวลมกระทบจุดใดให้ตั้งสติจำไปชันยะโูงให้ชัดในจุดนั้นเพราะการกระทบการคมผัดจะทำให้เกิดเวทนาสุขเวทนาก็ดี ทุกเวทนาก็าดีไม่ทุกไม่ทุกขามเวทนาก็าดีเปิดขึ้นด้วยประการใดให้รู้ด้วยประการนั้นถ้าเกิดทุกก็แปลความใจให้ตรงทุกถ้าเกิดทุกก็ประคองใจให้ตรงทุกว่าไม่ทุกไม่ทุก ก็ประคองใจให้กรองไม่ทุกข์ไม่ทุกข์รัดสร้สงศางวาปะการตรงรัดสร้างปัจจาระมิติปัจานาติเมื่อหายใจออกสั้นให้โ้ให้สติและลึกลงให้ครับว่างายใจออกสัง ลำกระทบเวลาหายใจออก ก, ก็ทุกก็ดีทุกก็ดีไม่ทุกไม่ทุกก็ดีควรตั้งใจประคองใจตั้งไวใจจง้ใน้จที่พระพุทธองค์ัดว่าเจตังปักกันาติปัททางนาติ แระลองจดตั้งไว้ใตรจแล้วจะรู้เองโดยไม่ต้องนึกไม่ต้องคิด <c oughs> และองเก่งสองจะกร่าสับปะการายะปฏิสังเวชอัตขิด ฌานิตเซตุกะตอยานิตาติหายใจข้าวเพื่อโูกรายทั้งปวงโลกรายทั้งหมดลมหายใจที่ประกอบไปด้วยสติสัไปชัญญะ ยง่ได้ลึกกายทั้งบวงกายทั้งหลายกายทั้งหมดไปตามลำดับตั้งแต่ผมเป็นตนดยตลอดถึงอาการสามิสองประการนี่คือคลองสร้าง ของร่างกายจรลงด้วยอนาปานะตถิสัตพรกายะปฏิจังเวทิกัตเสศัจธานเตทีเจคเตทยามิตะโรกายทังปวงหายใจออก เป็นการเปิดลมเพื่อรู้กายถอยทวนตามลำดับในอาการสาสิบสองประการให้รูกายทั้งหลายกายทั้งหมดจะรู้ด้วยอนาปาน า, าติที่ทะลุทะลวงไปทุกๆ ท, ทวนตามลำดับ และทวนกลับเปนการเจริญกายกตาจิตอันเป็นสพปัจจรมพยายังกายสังการปัสสะเจตคเนติเิตุคติเทยมเนตติ เพื่อร่ากายทั้งปวงละกายทั้งหมดไายใจเข้าพระรู้แล้วต้องวางรู้แล้วต้องปล่อยเลไม่หยุดมันไม่หยุดติดในงากายทั้งหลายรากายทั้งหมดปัด ขันธ์ยังกายังกายังปัจจักติทันติติติกติเอยอมิตาติไงฌาเพื่อลักกายทั้งปวงลักกายทั้งหมดหายใจออกนึือกิดการเจริน จิต ต, นตน า, น า, า, กกานุปัสสนาทายจรกว่าจะเกิดอนุปัฏฐิก่อนที่จะโ ก, กิดอนุปัฏฐิของทานโพชฌันติอนาตานาจติพระพุทธเจ้าทรงกระดังวายอิทธิอภัสสรวา ก า, กายก า, ายโนปัสสิเรนารติยังพิจเจนาให้เห็นกายในกายทั้งภายในบ้างนี้เป็นขั้นที่หนึ่งก่อนที่จะเกิดวิปัคสนายานง ตาวะกายะกายาโนปะเ่องอารติจ vale> ิงนาเห็นกายในกายเป็นไก่นอกบางไม่ใช่นอกกายคือที่กายและในกายที่กายเป็นไกยนอก สันทิสาลเตตอัศตัวากายเยกายาโนอัคเเวราติทิฏไนยนกายในกา ย, า ย, ายทั้งพายในยท้งไา่ดอกบ้างเมื่อก่อนที่จะเกิดอย่าง เกิดปัญญากเกิดวิตยากเกิดแสงสว่างที่เยันกายในกายเป็นธรรมชาติที่เป็นอริยสัจอันประเสริฐพระพุทธองค์กรุงจตุ้าพระมุทยะ ธรรมโนปัฏฐิวา่ากายยัติเดีงาญวาติย่อมพิจัยหาเห็นกายในยกายคือความเกิดขึ้นเป็นธรรมาดาบางคำว่าอนุปัฏฐิคือคกฎวิปัจจ น, นายาน กเรนในกายในของกายนั้นคืออะไรความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของเบญจกันคือดรูปกันเยนให้ยานรูเโยนให้ยานเห็น การที่จะเร็นรู้กันเราต้องไม่มีอัตตาตัวตวนว่าไม่มีอัตตาตัวตนตัวสัมปชัญญะย่อมเป็นอยาน่างตัวจิตย่อมอาศัยวาลึกรู ก, กันว่าเรปตัา้างอนุจัง โรคใดไม่เที่ยงยะทะนิจอย่างตังทุกขังโรคใดไม่เทียงอย่างทุกขังตังอนัตตาโรคใดที่ไม่เที่ยงโรคนั้นเป็นทุกโรคใด ทื่เป็นทุกข์โรบนังเป็นอันตรามนี่คืออริยสัจทันประเสเออ ด, ดโตมาโชธรรมขันที่หนึ่นวงวยะธัรมาโนปัจเจวา กตยักสหนึง่งเวงอรติทีจน่าเห็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาค็ความเชื่อมกองรูปนามเกดเมืออมอมอ่อไรก็เชื่อมเพื่อนันเกิดความเชืม ดันได้ชัดเจนแม้เรเ่็นความเสื่อนภายในของกา ย, าายทุกทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นมาต้องมีความเคื่อนแปรเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะตั้งมันดำร ง, งคงทื่ อย่างที่ตาเราเห็นวยะทัมโมุทัยยะวยะทัมบาโนปเสวากายะจังเดินรือาติยามพิจารณาให้เห็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดางเอทังเปิด ทั้งเกลงทั้งเกิดทังดับเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นพ่อไม่เห็นเพราะอวิชชามันปิดบางไหลพ่อจเห็นพระมีญาณบางญาวิชา หรือแสงสว่างแห่งทางให้ปรากฏว่าความเป็นจริงของโลกนี้หรือโลกอื่นคือการเกิดขึ้นของสิ่งใดๆทุกโลกย่อมมีความดับของสิ่งเหล่านั้นทุกทุกโลกนี่เป็นจัดจะ สวามจริงที่ั้งทั้งหลายเจริญจิตตะหิืปัจจนาจังเกิดอนุปัสสิวิปัจจานายาพระพุทธองค์เจงของจตว่ายาวะเทวะยานามัตตยะ มีอย่างเต่ทักว่ารู้ไม่ใช่เรารู้ควะมหมดอัตตาตัวตนของการยึดมันของการถือมันได้เบียงกันว่าเป็นตัวตนของตนเป็นของของตนถ้ายังยึดมั่นถือมั่นอยู่ ก็จะได้เห็นในสัจจะ่างนี้ถ้าสัจจะาณก่างตลางเป็นจริงเมื่อมัดความยึดมันมัดความถือมันงก็จะเกิดอยา่างเกิดปัญญ า, เ ก, าเกิดทุกชาเกิดแสงสว่างโพนัง อจะไม่มีตัณหาไม่มีความอยากไม่มีทิฏฐิความเห็นที่เป็นตัวเป็นตนอจะไม่เข้าไปยึดถืออย่าไม่เข้าไปยึดติ ด, ดอย่างนี้แหละท่านทั้งหลายในเชีงทั้งหลายทั้งปวง ที่พระองค์ทั้งจัตวานาจัปิจิโลกเกอปปาทีอาติไม่มีทิ้งใดๆทั้งปวงในโลกที่จะเข้าไปยึดถือที่จะเข้าไปยึดติดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ไม่มีความอยากมีความอยากเป็นไม่มีความไม่อยากมีไม่อยากเป็นที่เป็นสัจธรรมอันประเสริฐที่พระองค์ระ่ายอย่างนี้แหละภิโสทั้งหลายภิโุทั้งหลายจึงพิจารณาเห็นกายในกาย อย่างนี้นี่เป็นทางไปอันประเสริฐเป็นที่ไปแห่งเดียวเพื่อความบริสุทหมดจดของเวนในยัสสัตย์ทั้งหลายเพื่อก้าลวงวางเข้าสูก ความรองไงความทุกขก์ยความทุกข์ใจให้ลับไปเึ่งทุกและทนบานัดนี่คือทามอันถูกต้องเป็นทางที่จะนำออกจากทุกข์จากสาตทุกข์จากาทุกข์ และมราณาทุก์จึงบัชาาิความเกิดบัจชาิความแก่บัชาาิความตายที่จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะทรสงสารตาที่อัตมมาภาพรับประทานเวชชนามาก็สมควร เป้าการและเวลาเหมาะสมกับสตางค์ของท่านทั้งหลายจึงขอยยุติลงของไวเ้เต่เทียงนี้เอวังก็มีโดยประการเช่นี้สาธุ